เปลี่ยนใจแล้วคนคนอ่าากรณีนี้เนี่ยทําไมต้องบอกว่าให้ไปอยู่ไปทันไปประพฤติอยู่กับภาพประการตาก่อนก่อนอารุณ์ภายในวันนั้นให้ไปถึงภายในวันนั้นก็ที่เราอยู่ไม่มีภาพที่เราจะประพฤตินี่ไม่มีจะบอกแต่ในอาสาทุนกรณีนี้ถามคุยกันแล้วว่าถึงมีก็ไปได้ใช่ไหมอาจารย์ออกไปได้เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมล่ะ บอว่าไปได้ถึงมีอยู่ก็ไปได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุไม่เกี่ยวกับเหตุอันตรายสิบไปได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุอันตรายผมีหนึ่งในนั้อนนี้ไม่เกี่ยวผมขอให้เขาเช็คดไปได้เลยให้รับแต่ในกรณีมานัทเนี่ยสี่รูปถ้าไปเหลือสักรูปอันนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุอันตรายมี่งในอี้ไม่กีเดี๋ยวผมขอให้เขาเีไปได้เลยให้ับแต่ในกรณีมานัทเนี่ยสี่รูปถ้าไปเหลือสักรูปหนึ่งอ่าแล้วก็ออกไป บอกแล้วห้ารูปอ่ะแล้วพระปกติห้ารูปออกไปที่อื่นไม่ได้กลับมาเลยสักสี่รูปเหลืออยู่รูปเดียวกรณีนี้เคยเคยฟังกันเคยบอกว่าได้ใช่ไหมไ<ด>แต่กรณี้ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าพระปริวาสเองไม่มีเหลือเลยน่าจะไม่ได้เนี่ยน่าจะไม่ได้ปริวาสผ ม, ม, ผ, มผมยังมังวงในที่แต่ เ, เหตุเหตุผลอื่นๆที่ละเอียดกว่านี้ยังไม่ทราบนะเอาไอ้ตรงที่ฟังฟังมามาใครควรดู แล้วก็ลองลองลองรับเหตุผลลองรับเหตุผลนู่นก็แล้วกันผู้นั้นจะอัตชีภาวังสารลักเกตวาว่ะนี่วสีนี่จบที่นี่นะครับจบที่วสีนะถ้าก็ภิกสูปริวิสิกาพิสูบบอกแก่คณะแล้วนะครับไ อ, อตรงนั้นมันเหตุใดเห็ุนันะครับบอกแก่คณะคือองค์เดียวสององค์สามองค์อะไรแล้วแต่ครับบอกหรือ บ, บอกโงอันนี้เอาคณะขึ้นตัวแล้วบอกแล้วนะครับ แล้วก็สาระเกตวาวะกําหนดแล้วเที่ยวซึ่งความที่อย่างพิสูุนมีอยู่กําหนดว่าคือบอกว่าแล้วก็กําหนดว่ามีอทีนี้เขาอยู่กันแล้วก็วสิอยู่แล้วเลยตกลงใจอยู่แล้วครับบอกว่ก็อยู่เลยเตนะสะอูเคนคเนจรณะโทโสวาวิปปวาโสวาอันวากาอันว่าโทษแห่งการประพฤติในคณะที่ พ, อพ่องเพรไห่นั้นโทษแห่งการประพฤติในคณะที่พ่อง หรือหรือว่าการอยู่ป่าหน้าโหติยังไม่มีอาซาปริวาสิกาสาแกปริวาสิกาพิกสุนั้นเหตุผลอย่างท่านอดี็ท่านสมชัยนะครับถูกต้องนะครับคือคือคือเขประพฤติแล้วหนุนนุคือบอกแล้วอาโรเจดวานี่ประพฤติแล้วนะครับอาโลเจดวาคือบอกหนึ่งคือประพฤติแล้วประพฤติแล้วกําหนดด้วด้วยว่ามีอยู่นี่พระท่านอยู่ที่นี่กัน บอกแล้วกันเลยอะตกลองอยู่ละอยู่แต่พออยู่แล้วพระดันไปที่อื่นกันนะครับพระไปที่อื่นแล้วไม่รู้หรอกพระนี้สีแกมากนอนว่าสี่ครับว่าสี่ว่าสี่อยู่แล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องนะครับไม่ไม่ไม่เสียาาเหมือ น, นเหมือนอมานะต้องต้ตองบอกอสง น, นะครับคณะอย่างนี้ไม่ได้สงสงสงครับครับ ออกไปแล้วไม่เหลือเลยก็ใช้ได <convenience. S 1> ้ครับประพฤติแล้ววันนั้นประพฤติแล well. ้วพแล้วครับประพติแล้วบอกแล้วคือประพฤติไม่อยู่ในราตรีด้วยกันครับไม่ไม่ต้องไอไอบอกไออาจานบอกคืออยู่ในเลดูบาลบอกเนี่ยเหตุผลตรงนี้มันต่างอะไรกับที่เหมือนกับที่ท่านอาลีกับท่านสมชายพูดพูดว่าไงอ้าวท่านเวียงว้างเขาเามือแต่เสียงอย่างเดียวเว้ยที่ที่ว่าไปนะครับอจารยอย่างนี้อย่างนี้คําว่าประพฤติคือ ต้องมีพระให้เราบอกตามจํานวนเดี๋ยวเรื่องลาตีเดี๋ยวนี้ครับถ้าบอกแล้วชื่อว่าลาตีนั้นนะบอกนะครับถ้ายังไม่ได้บอกต้องไปบอกตอนใกล้ใกล้อรุณคือให้โอกาสสุดท้ายแก่ท่านละ อ, ะอย่างนี้พระเจ้าเวลานู้นก็ยังบอกได้อยู่หมายความว่าเวลาสุดท้ายเลย<โ>เธอต้องบอกภายในตั้งแต่ก่อนอรุณถอยมาจนถึงเวลาขอนะครับเธอต้องบอกหนึ่งครั้ง ไม่ไ่่จาาเป็นนวทะไอ้คำมาบอกนี้ต้องต้องชื่อว่าประพฤษด้วยนะครับไม่จะเป็นว่าต้องอยู่กับเราจะถึงวารีครับตรงนี้ชื่อว่าบัพพฤษแล้วครับบัพพฤตษบัพพฤษเลยแต่ในที่นี้ท่านจะกําหนดเลยท่านจะบอกเลยกำหนดแล้วด้วยว่ามีภิกษุอยู่แล้วจริง อ, อยู่คือต้องทำความาารู้สึกเลยนะครับต้องกําหนดด้วยไม่ใช่ว่าบอกแล้วรู้อยู่ว่าท่านจะมาอยู่ว่แต่บอกแล้วอยู่ว่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้อ๋อคนประเด็กับตรงนี้ครับบอกแล้ว แล้วก็กําหนดแล้วว่าคือเข้าใจเอาเองว่าพระพวกนี้ท่านอยู่ที่นี่แหละแต่ถ้าเกิดรู้อยู่ว่าถ้าเราบอกก็เดี๋ยวทา่านจะไปแล้วเนี่ยนน อ, อสมมุติว่าพวกเรากำลังจะไปกันท่านไอ่ามาถึงบอกว่าแล้วท่านอยู่ตรงนั้นตรงเนี่ยไม่ได้อย่างนี้รู้อยู่ว่าพระท่านจะไม่มีนี่รู้อยู่ว่าพระมีนะครับพระจะอยู่ต่างกันนะครับ แในก็ณีมนัท่ารู้อยู่ว่าท่านจะอยู่ไม่พบถึงเราบอ ก, บอกไว้แล้วอีกของลูกท่านจะไปสมมติมีฮาลุรู้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองลูกท่านจะไปแต่เราบอกแล้วว่าเราก็บอกชื่อว่าปบกพืน้นแล้วไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้อยู่ว่าพระมีพอนี่นี่อธิภาวังต้องรู้จํานวนทิกจุมากๆเนี่ยมีอยู่พอครับพอพอในกรรมนั้นๆ <S <S คร <Planning S 1> พ อ, อนอนนะครับอยู่ร่วมอยู่อยู่ร่วมนะครับเมื่อวานนี้ นร่วมนะครับอยู่ร่วมในที่นี้หมายถึงที่นอนหมดไปนะครับแล้จท้ท่านท่านจะกล่าวถึงพวกปริวาสิกาพิสุด้วยกันนอนร่วมกันก็ไม่ได้นะครับท่านห้ามด้วยนอนก่อนนอนหลังนอนหลังนอนก่อนอะไรเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้ด้วยไอเหตุที่ท่านห้ามปริวาสิกาพิสุนอนร่วมกันเพราะท่านบอกเดี๋ยวรู้อัจฉรย์ซึ่งกันและกันคือรู้รู้ความบุพพิตรเก่าๆของกันและกันจะเกิดอะไร อาเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะทําชักชวนกันทําอําบัติที่สูงยิ่งเออเออเรวยิ่งกว่านี้หรือไม่ก็พอแท้เลยชวนกันศึกปลายเสียนะครับเพราะฉะนั้นท่านห้ามหา้ามไม่ให้นอนร่วมกันเพราะเหตุแห่งการถ้าไปนอนร่วมกันแล้วคุยกันคุยกันแล้วรู้ถึงความประพฤติของกันและกันที่ผ่านมาอ็ จ, จะเป็นเหตุให้ชวนกันทําเสียยิ่งมากขึ้น เ, เสียมากขึ้นหรือไม่ก็เกิดขอแท้เกิดละอาใจ นะครับว่าโอ้อันนี้ก็ต้องอันนู้นก็ต้องอันนี้ก็ต้อ ง, อนนองโอ้ยศึกดีกว่านะครับแล้วก็งึกไปเหมือนที่สมชายอย่างนี้เมื่อคืนเมื่อคืนพิธาโดมาที่เิ่าก็เพื่อนผมตอนรุ่นเดียวก็องน้อยนี่พิธาเขารุ่นเดียวก็องน้อยเวลาแกปฏิบัติเอ็งเป็นอะไรใช่เวลาเวลาบวดอยู่รักษาที่ไหนได้ดีมากเลยครับดีมากๆเลย ภาษาดีมากเลยปฏิบัติก็ตั้งใจสนใจไปสำนักนั้นสำนักนีน้ตั้งใจศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำอย่างนี้คิดหนุนคิดนี่คิดนี่คิดนั่นคือพอดีมันไปเจอทะมันไปเจอรูกออกแล้วมันก็นเลยเอาพวกนี้มาเป็นช่องหาหาเรื่องคิดทำยากทำนุ่นทำนี่ทำยากทำตึกเลย <laughs> มันเค้ช่องออกเข้ามันเลยอยากจะออกที่นี้ปัญหาเมื่อวานนะครับอาจารย์ที่ว่าพระออกไปกันพระไม่รู้ถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินมาอาจจะมารู้ว่าไม่เห็นพระอยู่พอไม่เห็นพระอยู่ก็เลยเอ๊ะท่นตอนในกระบอกก็เลยเดินดูในอุทิานไม่มีทั้งองค์ยอสว่างแบบนี้ครับ แถบนี้ไม <c oughs> like sure. ่ได้ท่านประพฤติได้ยังครับประพฤติแล้วทานกับสงไแล้วามาแล้วแ่น้าได้ครับ้รู้วโอ้ยครับต้องรู้ก่น้ท่านจะไม่อยู่ทนไม่ครับถ้าประพฤติประพฤติแล้วก็มันใจก็พระอยู่แล้วล้วก็เริ่มประพฤติอย่างนี้ก็ประพฤติแล้วพระท่านหายไปก็ยังประพฤติแล้วครับเชื่อประพฤติแล้วครับประพฤติ ประพฤติไว้สงฆนะคสมาทานแล้วหมายความาอย่างนั้นครับ<ะ>ถ้ารู้ว่าท่านจะมาอยู่กันแล้วก็สมาทานอีกอย่างนี้ไม่ได้สมาทานแล้วข้าง่อไปอย่างนี้ไม่ได้รู้ไม่รู้กําหนดคือคือมีบวามรู้สึกโอ้พระท่านอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยสมาทานสมาทานแล้วก็ประพฤติไปแต่พาท่านไปมีเหตุจำเป็นแล้วท่านไปของท่านเองท่านไม่ได้บอกเราอย่างนี้ไม่เป็นไรคนละกรณีกัน กรณีอันนั้นรู้อยู่ว่าท่านจะไปอย่างนี้ท่านวานนี้บอกว่ามีสี่องค์รู้ว่าเราสมาทานแล้วพระท่านจะไปเราก็ยังสมาทานอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้พราะรู้ว่าที่นี้จะไม่มีพระแล้วหมายความอย่างนั้นแล้วยังขืนทำอยู่อย่า ง, ง, างไม่ได้แต่ในขณะสมาทานเรามีความรู้สึกกับกพระท่านอยู่ท่านท่านอยู่อยู่กันที่นี่เราจึงประพฤติกับท่านเราจึงบอกกับท่านแล้วมีเหตจําเป็นท่านไปอย่างนี้นับราตีได้ครับราตีนั้นไม่เสีย เพราะท่นานใช้คำใช้คําเลยเ อ, อะไร mm hmm. ที่คูนงังอธิภาวังสาระเกตวากกำหนดแล้วว่ามีพระอยู่นะครับกําหนดแล้วว่าพระท่านจะอยู่กันและจึงจึงจึงจึงจึ ง, จงบอกจึงสมาทานจึงอยู่จึงประพฤติอย่างนี้ไม่เสียเราพระท่านไปทีหลังไม่เสียไปทีหลังก่อนจะไปท่านบอกเราเรารู้อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราประพฤติแล้วเพราะเชนั้นแล้ววันต่อไปเราไปที่อื่นแล้วเพราะที่นี่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเกิดท่านกลับมาตอนบา่ายก็สมาทานอีกวันใหม่ราตรีใหม่ได้อีกอ๋อได้ครับทานไปแล้วอีกเดีย๋ยวท่านกลับมาใช่ไหมครับ <c oughs> อีกวันหนึง่ง <c oughs> ได้ครับไม่ต้องไปที่อื่นเราเราไม่ต้องไปที่นแล้วก็ไม่ต้องสมาทานใหม่ใช่ไหมครับไหนครเพราะว่าเราสมาทานวันนั้นแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องสมาบ ร, <c oughs> ริวานบริวานใช่ใช่ใชได้บริวารได้ธรรมนัตไม่ได้นะครับธรรนัติไม่ได้ไม่ต้องเก็บไง วัดจริงๆมันไม่ต้องเก็บที่เดียวก็รวัดไปเลยบอกครั้งเดียวก็รวดไปเลยเป็นในปริวาตินะปริวาติสมมุติเราขอปริวาติสิบวันถ้าอยู่กันอย่างนี้เราบอกครั้งเดียวแล้วไม่ต้องบอกอีกเลยไม่ต้องบอกแต่ทํามานัสจริงไม่ได้มานัต้องบอกทุกทุกวันเลยทุกวันต้องบอกแต่ปริวาตินี่ถ้าพระเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กันอย่างนี้แล้วไม่ต้องบอกอีกเลยบอกครั้งเดียวบอกครั้งเดียวแต่พระที่มีพระอื่นมีพระอคันตุกะมาต้องบอกนะ สมมติเราอยู่กันสิบลูกปริวาสิกาพิสูจน์หนึ่งลูกปริวาสิกาพิกษุก็บอกกับสงสิบรูปแล้วนะครับมีสามลูกท่านออกไปค้างคืนที่อื่นเวลาท่านมานี่ต้องบอกใหม่นะครับครับต้องบอกใหม่เวลาท่านมาเราต้องบอกกับท่านนะครับต้องบอกท่านไปค้างคืนที่อื่นแล้วเวลามาท่านก็มาเป็นอาคันทุกกาของเรานะครับถ้าเก็บวัดใช่ไหมครับถ้าเก็บวัด ต้องสมาทานแล้วจึงบอกครับเราก็สมาทานกับท่านแล้วก็บอกสมาทานแล้วก็บอกเหมือนกันเหมือนเหมือนกับอาคันตุกะเหมือนกันต้องต้องสมาทานก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้เก็บอ๋อถ้าถ้าเราไม่ได้เก็บไม่ต้องสมาทานเราไม่ได้เก็บไม่ต้องสมาทานบอกดเลยบอกเลยนะครับบอกเลยถ้าเราเก็บ คือการสมาทานนี่ in ต้องม right? uh ีมีหลังจากการเก็บถ้ามีการเก็บเมื่อไหร่เราจะบอกก็ต้องสมาทานใช่ไหมครัประพฤติสมาทานคือประพฤติเริ่มประพืชเริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มประพฤติในวันนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บ้าชุดนี้ไป้าชุดนู้นมาบอกเลยไม่ไม่ไม่ต้องสมาทานบอกได้เลยเกี่ยวเกี่ยกับนอนก่อนนอนหลังนอนหลังนอนก่อนอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับมันเยอะเหลือเกิน คือสลับกันไปสลับกันมาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าถ้ารู้อยู่ก็ถ้ารู้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไม่ลุกไม่อะไรก็เป็นทั้งรัติเฉตเป็นทั้งวัฏฏะเพรศกันจะเป็นใครนอนก่อนนอนหลังนี่สลับกันไปเสมอถ้าไม่รู้ก็เป็นรัติเขตอย่างเดียววัฏฏะเพรไม่เป็นคือไม่เป็นทุกกฎนะครับไม่เป็นทุกกฎแต่ถ้าถ้ารู้อยู่ว่าเรานอนอยู่ก่อนแล้วรู้อยู่ว่ามีมีพระมาเข้ามานอนอีกจะเป็นบริวารสิกขาพิจูก็ดีเป็น เป็นปะกาศตาก็ดีรู้อยู่ว่าเ ข, ข้ามานอนแล้วเราก็ยังขืนนอนอยู่อย่างนั้นไม่ลุกขึ้นนะครับไม่ลุกขึ้นไม่ไม่เอาหลังขึ้นเป็นทั้งวัฒเพศด้วยเป็นทั้ง เ, เป็นทุกข์ด้วยเป็นราตีขาดด้วยแล้วถ้าองค์เทามาก็รู้ด้วยว่าเรามีนอนคือต่างคนต่างรู้อย่างนี้ทั้งสอ ง, ององค์เป็นเหมือนกันนะครับครับมันเนก่อ น, นั้นหลงังไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวครับแล้วแล้วคนองค์ที่เข้าไปรู้อยู่ว่าท่านนอนอยู่ ทั้งรู้ทั้งไม่รู้ไอ้องที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นแต่ถ้าไอ้องนั้นรู้ก็ก็เป็นในทั้งองค์นอนทั้งองค์เข้ามาเป็นด้วยกันทั้งสององทะรู้นะครับถ้ารู้ทั้งสององเป็นทั้งสององในกรณีนี้ทั้งสององไอ้องค์ใดไม่รู้องค์นั้นเป็นรัติเศษอย่างเดียวไม่เป็นวัตเพศถ้าไอ้องค์นี้รู้เป็นทั้งรัติเศษและทั้งวัตเพศด้วยถ้ารู้ทั้งสององเป็นรัติเศษวัตถะเพศทั้งสององแบบนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับสมมติว่าท่านวิสิตนอนอยู่ท่านวิสิตก็สมถ ไป<ม>ทำอะไรรู้ในห้องท่านเสร<ม>็จแล้วง่วงจะนอนอืก<ม>็เผลอหลับไปลืมคิดไปว่าเออท่านมิติตสมาทานคร<ม>ับเผลอหลับไปพ<ม><ม>อเลอเผลอหลับไปถ้านมิติดรู้สึกตัวตืว่นขึ้นมาเห็นผมอ<ม><ม>นอนอยู่ถ้านมิติดทําใจว่าโอ้คืนนี้วัดเสียแลวย<ม>้วหวยมันเสียไปนอนดีกว่าถ้าถ้านี่มาเสียตอนหลังนี่ตอนแรกมันยังไม่เสียแล้วอตอนแรกเสียแล้วแต่แต่ไม่ยังไม่เป็นทุกข์กดแต่เพราะเอ้ยมันเสียแล้วอนอนลงไปตอนนี้เป็นทุกข์แล้วครับไม่ไม่ยอมลุกขึ้นแบบนี้เป็นทุกข์กดเป็นทุกข์กดแล้วครับตอนนี้ าก็ น, นสว่างเลยตืออ่นขึ้นมาเอ้าเมื่อกี้ท่านเมื่อคืนท่านนอนนี่หรือเอเอผมนอนแต่ได้ลาตีแล้วก็คือว่าลาตีเสียแสงไม่เป็น่าตเปียดครับไม่เป็นละไม่เป็นทุกกไม่ต้องอาบัตรทุกกฎแต่จออกมาสอตีอ่าอ่าออกมา่อบ น, นี่ลาตีที่ผู้ปฏิบัติผู้ประบกติ่า น, นจะเสียไหมลาตีแล้วครับเอากิิยาแค่นอนนะฮะไม่ไม่ไม่เอาลาตีแล้นี่แค่ครับ เอากิจานอนครับเอากิจานอนนอนลงไปเป็นอันเสียไปแล้วครับตอนนั้นนอนไม่หลับก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือไม่หรือเขาไม่บอกเหยียดกายลงเหยียดหลังลงไปก็เสียแล้วครับคือห้ามนอนเลยห้ามนอนหมายว่างั้นห้ามนอนร่วมกันคุณงายวดจ่าได้ราตีใหม่หรือ <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่สำคัญไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยเอากิจเอากิจการเหยียดหลังลงไปเท่านั้นครับไม่ได้เกี่ยวกับราตีหรือไม่ลาตีไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยแล้วแล เกิสมมติอ้าก็ผมนอนกลางวันนี่ผมไม่ได้นอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าลทติคัดเพราผมนอนกลางวันนี่ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้กลางวันก็ไม่ได้กลางคืนก็ไม่ได้คือห้ามอยู่ร่วมในอวิทยาบดนอนครับไม่ได้กําหนดเวลาตอนไหนก็ได้ตั้งใจเอารุณแล้วไปจนถึงก่อนจะถึงอารุณ์นี้ก็นะครับทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ในเวลาตรงไหนก็ไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวกับนี่ียังสว่างอยู่เลยผมนอนเห็นเป็นไรผมไม่ได้นอนกลางคืนอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คิดมาคิดลามกอนี้ไม่ได้นะครับอ่าคือผมนอนแล้วล็อกห้องเกี่ยวกับที่จงกรมนะครับเกี่ยวกับการจงกรมอ่ะทีนี้การนั่งแล้นะการนั่งที่สูงที่ต่ําเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนั้นเข้าใจในในวินัยส่วนนี้มันเหมือนเหมือนกับไอ้ชีวิตเราที่เป็นที่สุกก็ ที่สูงที่ต่ำนั่งพระเถหละนี่มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับตามพื้นดินตาอะไรอะไแล้วแต่ทีนี้ที่จงกลมไปจงกลมในที่ที่พระประกาศตะจงกลมก็ไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ในที่ที่ที่ที่จงกลมเคยเห็นว่ที่ที่ที่จงกลมเขาเขาทำดีบางทีเขาเขาเกาะคันขึ้นมาเลยปูทรายอย่างดีเลยบางทีกาะคันขึ้นมาแล้วมีมีมีเสาทั้งนี้เสาโน่นแล้วก็เอาไม้ถึงไวไวจับ ได้เวลาส่วนเสเวลามื่นบางที่าก่อทรายขึ้นมาแล้วกอ่อก่ออีกขึ้นมาแล้วก็เอาเอาทรายโรยแล้วก็ปลูกนี่แล้วมีหลังคาเดียครับมีกําแพงกัน้นไม่มีใครเห็นเดินแล้วไม่มีใครเห็นอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่จงกร ม, มีหลายอย่างบางทีก็ใช้ต้นไม้ต้นไม้เป็นทิวแล้วก็ไปเดินที่ทิวต้นไม้ข้างๆเอาต้นไม้เป็นกําแพงอย่างนี้ก็มีทั้งสองข้างก็มีครับอ่า เอออย่างนี้เรียกว่าที่จงกรมที่ที่ที่ที่แบ่งส่วนถ้าท่านจงกรมประกาศตาจงกรมอยู่ในส่วนของท่านแล้วเรายังไปเดินร่วมด้วยอย่างนั้นไม่ได้สมมุติว่ามันยาวเท่านเดินอยู่ส่วนนู้นเราก็ไปเดินอยู่วนในที่เดียวกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่เป็นที่ที่เขาจัดบริวารกันนี่แหละครับอืมแต่ทีนี้จะมีพอถึงเวลาจะปฏิบัติในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็จะมีการเดินจงกรมอ ในขณะเดียวกันก็จะมีพระประกตาตะเดินนําหน้าไปออือแล้วก็ปริวาสิกาหรือมานาตาก็จะเดินตามตาตเป็ น, ปนแท้เหมือนงากินหนงชื่อว่าจงกรมในที่จงกรมเดียวกันนะครับอย่างอย่างนี้เขาเล่นกันครับนั่นเ้าเล่นกันอย่างนั้นชื่อว่าจงกรมในที่เดียวกันกับประกตาตะครับครับพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับพวกนี้เหอ่าเขาเก็บวัดแล้วอ่าถ้าเก็บวัดแล้วไม่เป็นไรครับเก็บพวกนีไม่เก็บพวกีอ่าถ้าไม่เก็บนี่ไม่ได้ถ้าเก็บวัดไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเก็บวัดแล้วก็ถือว่าเป็นประกาศตาเสมอๆกัน แต่เป็นประกาศ ต, ตาเส ม, มอกันก็ถ้าเราไปเดินในที่ของพระเถระก็ผิดีเหมือนกันใช่ไหมทุกกฎอิพิธีมือกนกไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะวัดข้อนี้ทั้งประกตาตาทั้งอะไรก็มีประพฤติอยู่เส ม, มอเอเหมือนกันอย่างนี้อยู่แล้วในกรณีที่ว่าท่านขนาดนั้นท่านไม่ได้เดินครับที่ยงโคมว่า ง, า ง, างแต่เป็นที่รู้เป็นที่ของของ ท, <า>ท่ทา น, นต้องขออนุ ญ, ญาตออญา ต, ต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาตท่านอนุญาตแล้วเราก็เดินได้ขออนุญาตครับแล้วก็ว่า ถ้าปัจจารที่สุจนะครับจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ําปริวาสิกาพิสูจนั้นไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูงอคําว่าต่ำกับสูงอย่างนี้เกิดกรณีว่าปริวาสิกาท่านอยู่ที่สูงกว่าอีกที่นึงนะอืัแต่ที่จงกรมนั้นต่างกันคือปกติานั้นมาพักอยู่ในที่ต่ําเดินครับเป็นเดินขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการจงกรมในที่จงกรมสูงครับแอนลงพัดไปอย่างนี้ถ้าปริวาสอยู่เนืลง อไอถ้าอยู่ธรรมดาไม่เป yup ็นไรแต่เวลาเราจะเข้าไปหาอย่างนี้หรือหรือในที่เวลาที่ทันจงกรมอยู่อย่างนี้เราไปอยู่ทางนี้ไม่จะไม่ได้ก็ปกติแล้วถ้าเข้าไปหาใช่ไหมครับเข้าไปหาไม่นั่งใกล้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นั่งข้างหน้านักไม่นั่งใกล้นักไม่นั่งเอียงซ้ายนักไม่นั่งขวานักไม่นั่งห่างนักไม่นั่งเหนือลม ไม่นั่งที่สูงไม่นั่งเหนือลมก็มีอยู่อย่างนี้วัดข้อนี้มีอยู่ตามธรรมดาแล้วใช่ไหมครับวินัยส่วนนีน้นั่งในที่สมควรนั่งในที่สมควรคือไม่นั่งเยอะไม่ตรงหน้าไม่ให้ตรงหน้าแต่ไม่ให้เอียงยันเวลาเวลาพูดกันนั้นะอะไระอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องเอียงแค่นี้ครับแล้วก็ต้องดูเออถ้านนั่งหันมาทางนี้เกิดเออเกิดสมมติผมนั่งหันไปทางนี้ลมมาทางนี้ใช่ไหมครับ และท่านบอกเอ๊ะนั่งเหนือลมไม่ได้จะมานั่งทางนี้อย่างนี้ผิดครับต้องนั่งทางโู้นะแหลนั่งให้ห่างออกไปนิดนึงอย่างนี้ไม่นั่งชิดนักมหมายว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหนือลมใต้ลมมันมันมันไม่ใช่ข้อพิเศษนักคือคือไม่ใช่ว่าจะใต้ลมตลอดไปครับไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดไปในที่สมควรตรงนั้นในที่สมควรตรงนั้นนี่เหมือนกันเวลาจงกรมเหมือนกันสมมุติเราในในเวลาจงกรมไออย่างโมคุนี้ถามพระบารมีจะตายอยู่ที่ตามแต่เราไปอยู่ที่สูงใช่ครับเวลาจงกรมเราต้อง ถ้า่าถ้าเกิดท่านเดินถ้าท่านไม่เดินไม่เป็นไรถ้าเกิดท่านเดินอยู่เราก็ต้องลงมาที่ต่าเหมือนกันนะครับเราต้องลงมาที่ต่ําเหมือนกันมันมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับไจงกรมนี่แหละครับมันทําให้คิดว่าเอ๊ะทาไมท่านถึงห้ามไป ห, ห้ามอย่างนั้นห้ามอะไรครับคือตรงที่ว่าเมื่อประกาศตาพิสษุจงกรมอยู่ณพื้นดิ น, นครับร บ, บริวาริกาพิสูจนั้นไม่ควรจงกรมในที่จงกรมอันนี้นี่คล้ายๆกับถ้าประกาศตาพิสูจจงกรมที่ยังงมต่ําตัวเองนี่จงกรมไม่ได้เลย เป็นที่ของเรามีมีอยู่ตรงไหนครับเนี่เดี๋ยวผมดูหน่อยในอาตมกธรรยังไม่เจอไม่มีเลยเป็นที่จงกรมของเรามีอยู่ก็จํากัดว่าเราจะจงกรมในที่ของเราไม่ได้ถ้าที่จงกรมของเราสูงกว่าของพระปกติธถ้าสูงกว่านี่ไม่ได้ครับไม่ได้ข้อที่เท่าไหร่ครับอันนี้มูราแล่วเ อ, อ่อ ถ้าปัจจายพิสูุจงกรมอยู่นะพื้นดินปริวาสิกาพิสูุนั้นไม่พึงจงกรมในที่จงกร ม, มรๆๆอ่าไม่ใช่ครับี่ในรู้ <ๆ S 2> แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องอย่างนี้ในที่จงกรมคือต้องต้องต้องที่ที่ทําำ่กติที่จงกรมมันต้องสูงกว่าพื้นดินธรรมดานิดหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะทํากันจะทําให้มันเป็นที่จงกรมเจ้าโรยทรายธรรมดาก็ดีเจะก่อคันแล้วจึงโรยทรายก็ดี จะมีเสามีรั้วก็ดีไม่มีรั้วก็ดีมีรั้วเป็นต้นไม้ก็ดีมีมีหลังคาก็ดีอย่างนี้เรียกว่าทจงกรมถ้าเวลาจงกรมธรรมดาอย่างนี้ท่านบอกว่าจงกรมพื้นดินคือที่ไม่ได้ทําไม่ได้ปรับไม่ได้ปรุงมันเรี่ยมธรรมดาของมันคือไม่ได้เอาทรายไปทําให้มันสูงขึ้นมาไม่ได้ก่อคันให้มันสูงขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นถ้าภิกษุน์ปกระกาศ ต, ตาจงกรมอยู่ในที่พื้นดินพิสูอน์ปริวาสิกะไม่พึงจงกรมอยู่ในที่จงกรมในที่จงกรมคือมันสูงกว่าพื้นดินธรรมดา ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ดินมันดินไอ้มันทรายแต่มันต่อจากดินเข้ามาแต่มันสูงกว่าครับมันคือมันทําเรียบร้อยกว่ามันทาําอ่ปาประนีดกว่าครับประนีดกว่าอ่าครับที่นี่ครับครับไม่ไม่ใช่ห้ามเพราะฉะนั้นประกาตาพิสูจจงกรมอยู่ที่ดินเราก็ต้องลงมาที่ดินเราไม่ต้องขึ้ น, นไปบนบ น, บนที่เราทําไว้ครับในที่จงกรมที่เราทําไว้เนี่ยครับห้ามครับเราก็ต้องลงไป มันปานนี้ดีว่าครับคือมันตอบแต่งไว้ดีก็ถือว่าสถานที่นั้นสูงกว่าที่ที่ปาครับที่ที่ปากกระั้นอยู่ฮะเป็นพุทธรูปแล้วก็เป็นเสาเว็นบดแล้วก็แล้วข้างพรอพุทธรูปครับข้างฝาฝาท่านจะเป็นทางงคมกไว้มีไปไว้ตามวัดธรรมยุทธ์เขาจะมีที่องคมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีวัดแะ อะไรวะค อ, อนแก่นเออยอะไระองคูฝางวัดอะไรวัดคงคาคิดีเขตอะไรนะ่ะ อ, อ, อุดมคงคาคีดีเขตเขาจะอยู่ตามเขาตามอะไรอะไรเขาจะทําที่ตรงกลมวะ ค, คือคือมันเป็นป่าอยู่มันเยอะเขาก็เลยเอาอิฐไปก่อเอาทรายไปใส่ตั้งเสาขึ้นมาตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ถึงแล้วก็เอาสังกะสีไปกัน้นวะแล้วก็ให้ลมมันเข้าข้างล่างประมาณฟุตเดียวข้างบนนี้มองเห็ น, นเห็นแต่ขาเดินแบบแบบแบบแบบครับ แล้วทางนี้ก็ปิดทางนู้นก็ปิดแล้วก็เดินอยู่ในนั้นนะครับมันยุงเยอะยุงมันเยอะแล้วฝนมันตกอะไรอย่างนี้ก็ยังจงกรมได้ฝนตกก็ยังจงกรมได้ตรงนั้นเขาจะทําเป็นเทพเทูนอย่างเงี้ยนะประมาณอ่าครับประมาณนี้ขาดเสาแล้ว น, นะครับแล้วก็ทำเป็นที่เดินกลับไปกลับมาครับหลังพุทธิของในตรงนี้ก็มีอันหนึ่งเดี๋ยวนี้พังตรงนั้นนัเกี่ยวกับการจงกรมท่านก็กำหนดไว้ด้วยทําไหมครับ ท่านท่านทานกำหนดไว้ด้วยไหมครับว่าที่จงกรมต้องเป็นสถานที่อย่างนั้นอย่างนั้นกำหนดไหมครับสถานที่ยังไงครับเห็นสถานที่ที่จงกรมเนี่ยต้องเกียทรายนะต้องมีอะไระถ้าเกียร์ทรายคือทําไงครับใครทำเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ไมใช่กําหนดถ้ากําหนดอย่างนี้ท่านก็ไม่บอกว่าถ้าประกตศตาพิสูจจงกรมอยู่ในที่ในในบนพื้นดินแสดงว่าไม่ได้ทำแสดงไม่ได้ทำครับเพราะฉะนั้นทํามีได้ทั้งสองอย่างเราจะทําก็ได้เราจะไม่ทําก็ได้ใน่ไหมครับ เราจะทาก็ได้ไม่ทำก็ได้รายละเอียดเรื่องนี้ไปดูที่ที่สุดรตอนนี้จะเนที่ไหนาเกเป็นตรงนั้นตรงนั้นาจริงตรงตอ ง, งพูดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันมันมันาดหายไป ท, ท, ที่ที่มาคุณนี้บอกว่าที่อยู่ระตะทีป่ปกตาตาตามใช่ไหมครับเราสูงกว่าต้องมาจงกรมใน ท, ที่ที่เสมอกับท่านหรือต่มกว่าท่านใช่ไหมครับ ตรงนี้ต้องต้องพูดเกี่ยวเนื่องถึงถึงอุปจาระด้วยวันก่อนเราพูดถึงอุปจาระใช่ไหมครั บ, รบใเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเออเกิดอาวัตเราอยู่อย่างนี้เอปฏิวาติสิกขาพิสูจนอยู่นูน่นเกิดประกตต า, ตาอยู่ทางนี้เกิดเมื่อก่อนนี้หลวงพ่ออยู่นี่เราก็เดินนี่นู่นไม่ได้ที่อย่างนี้ไม่ใช่หมายว่าที่ที่เดินไม่ได้ในที่ที่ต่ำกว่าสูงกว่านี่เอาเฉพาะสิบสองศอกเลยกว่านั้นแล้วก็นอกอุปจาระตัวท่านแล้วหมายความอย่างงั้นครับ เลยเลยกว่านั้นเลยสิบสองศ อ, อกเอาไปชื่อว่าต่างคนต่างอยู่แล้วครับต่างคนต่างเดินไม่ใช่เดินอยู่ในที่ที่เดียวกันคือเวน้นเว้นอุปจาระของประกา ต, ตาออกไปทั้งสิบสองศอกแล้วเราก็ไปเดินข้างนอกนู่นจะที่ตรงนั้นจะสูงกว่าตามป่าอะไรตรงนั้นไม่เกี่ยวกันครับแฝดศอกคือจากจากองค์ท่านจากจากต้นโพจากต้นโพจากองค์พระพุทธรูปจากองค์เจดีย์ไม่ใช่แล้วไม่ใช<า><ม>่าการร่มก็ดีรองเท้าก็ดีห้ามเข้าตั้งแต่ลานมันนะ ้านจะดีเกินใหญ่เท่าไหนก็ได้ไม่รู้ดิครับอ้าวไม่รู้ได้ไงอ่ะไปอ้างนี้ได้ไงก็ในวินัยบอกเลยลานจะดีก็ห้ามเลยไม่แล้วไม่ใช่วินัยอย่างเดียวอาจารย์บอกแต่ลานก็ได้เอออ่านี่เออเปลี่ยนนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะเออต้องร้านจะดีครับแล้วก็ลานโพไม่ใช่ตนโพและจริงๆเราไม่ใช่แค่นั้นครับอไม่ใช่พระประพฤติค้นประพฤติกันตั้งแต่เห็นจะดีก็หยุดกันลมเลยขนาดนั้นครับ พอสมสุทัยจะไปจดีใช่ไหมเดินมาจากบ้านพอเลี้ยวปุ๊บเห็นเจดีย์ปุ๊ บ, mm. บหุบลมแล้วเดินเข้าไปด้วยความขรึอย่างนี้ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีศอกอะไรอย่างนั้นหุบล่มแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าสีศอกได้ต้องท่านต้องอท่านต้องไปบอกเขาว่าอย่าไปบอกเขาว่าตั้งแต่องค์เจดีย์ตั้งแต่ต้นโพตั้งแต่อย่าไปบอกงั้นตั้งแต่องค์ของพระพุทธรูปอย่าไปบอกงั้นต้องเป็นของสถานที่ครับสมมุติอย่างนี้สาลาใช่ไหมครับ นูนออกไปนูนสี่สอบต้องบอกาะกของสถานที่ครับเกิดงั้นก็ใส่รองเท้าเข้าไปในนี้ก็ได้เพราะยังไม่ถึงสี่สอบจากองค์พระลกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับพระอ่าสิบสองสอบนี่เลยสิบสองสอบเอางั้นก็ไม่ได้ถึงกันครับเพราะนั้นเอาสถานที่ครับเอาสถานที่แล้วกันอย่าใส่เข้าไปในสถานที่ของท่านอย่าใส่เข้าไปบนลานเจดีต้องถอดไว้นอกลานเจดีอะไรอย่างนี้ต้องอย่าใส่เข้าไปในลานโพอของเราพูดลานโพไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเรานี่ยต้นโพนี่เราเอาขยะไปทิ้งกัน ตองพูดของลังกาของอินเดียนี่อย่างนี้พมา่าอย่างนี้เ้าจะมีลานโพเมืองไทยไม่มีลานโพเนาะเมืองไทยไม่เคยนับถือลานโพไม่ไม่เน้นนับถือกันเพราะฉะนั้นเขามีสถานที่ของเขาเราอย่าใส่เข้าไปในที่นั้นอย่างนี้ชื่อว่าเคารพใช่ไหมครับอย่างนี้ชื่อว่าเคารพทีนี้ลงพูด ม, มาเรื่องปฏิบัติเรื่องที่ว่า122ที่อาจารย์เล่าเนี่ย คือฟังดูแล้วนะครับคล้ายๆกับว่าอท่านจะไม่ให้คุกขีกันแม้กระทั่งปริบัติจิตกะด้วยกันนี่ครับท่านนึงให้ห่างกันอะไรยังิตสองต่อครับจิตสองต่อครับคล้ายๆกับไม่ไม่ให้จากคุกเห็นห้ามไม่ให้จับคุกไม่ไม่ใช่สมมติว่าเวลาจงกรมใช่ไหมครับเวลาอื่นก็ได้ไม่เวลาเกิดเวลาอื่นมีธนบมีป่าบางก็พูดคุยธรรมดาได้ใช่ไหมครับแต่เวลาจงกรมมันเป็นเวลาส่วนตัวของใครของมัน ใช่ไหมครับเป็นเวลาของใครของมันถ้าถ้ามาใกล้ๆเดี๋ยวก็อดที่จะอสนทนาหรืออะไรสอบถามอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นก็เวลาก็ควรจะเป็นของใครของมันขอเรียนถามตรงนี้นิดหนึ่งครับไอ้ที่เกี่ยวกับริยบทเศนี่นะครับที่ท่านเอาเฉพาะริยบทนอนน่นนะท่านมีเหตุผลท่านนั่งเหตุผลว่าอย่งไรนอนน่ะมันน่าจะนานาว่พอริยบทอื่นมัง้ง <Good. S 2> แต่จริงๆแล้วเออแม่เะริยาบทแต่ถ้าถ้าไปเข้าทีดาวโอนะครับพอเข้าปริวาสแล้วนี่ไปนั่งคุยกันในห้องไม่เสียก็จริงแต่อาจารย์ดุเลยครับดุเลยไม่วัดไม่เสียแต่ปริวาสที่กล่าวที่สุดไม่ควรทําครับไม่ควรทําครับอาจารย์จะไม่ไม่พูดคุยธรรมดาอย่างนี้ได้ครับ เวลามาฉันมาอะไรก็พูดคุยพูดคุยพูดคุยกันแต่จะไปคุยกันในห้องไม่ได้แต่ก็ไ ม, ไม่ไม่ได้อย่างนั้นเองเพราะถ้ามโอถึงไม่ได้เข้าไปว่าก็คุยกันในห้องนั้นก็อาจารย์ก็ลุยหมดทุกอย่างกันก็ไม่ได้เหมือนกะันอาจารย์เคยบอกอย่างนี้ว่าเวลาประพฤติวัดนี่ควรทําตนให้เป็นส่วนหนึ่ง ต่างหากจากจากธรรมดาทํำยังไงที่คือมันเป็นโอกาสที่จะทําให้ให้กุศลจเจริญมากขึ้นได้ด้วยส่วนหนึ่งคือแยกตัวออกมาซะแยกตัวออกมาควรจะ่วยโอกาสตรงนั้นนะท่านบอกงั้นควรจะช่วยโอกาสตรงนี้ความจริงพุะเจ้าอนุญาตให้แล้วก็เป็นการอ่ากิจันออกจากจากปกตศตะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ให้ใ ห, ให้เป็นอิสระเลย บางครั้งเพราะเกิดความคุกคีเกิดความอะไรอะไรจริงไปต้องอาบัตส่วนนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ห่างออกมาแล้วก็รู้มาแล้วลึกถึงโทษตัวเองแล้วก็ควรจะทําทํากุศลในส่วนอื่นๆหรือทําทำํำคุณธรรมส่วนอื่นๆปรับปรุงเพิ่มพูนขึ้นมาในส่วนนี้แยกตัวออกไปนะครับท่านอาจารย์ว่าที่ท่านน่าเห็ผลว่าถ้าหากว่าเป็นการนอนคุกคีกันอาจจะทําให้ทิศสูนั้น่ะ ทำอาบัตที่เร็วสามกว่านั้นได้